สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะดิฉันสันสินีนาฏพงศ์กลับมาอีกแล้วนะคะกับรายการสรนสนีสนทนาทางสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าว106ค่ะก็เป็นโอกาสที่เราจะได้นําเอาสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้มาให้ท่านทั้งหลายได้เกิดประโยชน์เริ่มตั้งแต่ทําให้ท่านไม่ต้องไปวัดแต่ท่านสามารถปฏิบัติธรรมได้อยู่ที่ไหนที่ฟังเราได้บางท่านอาจจะตอนนี้ฟังแอปพลิเคชัน106 Family News อยู่ต่างประเทศ ก็สามารถทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะโดยพระภิกษุในวันนี้ที่จะมาพบกับท่านในตอนช่วงต้นของรายการคือพระพุทุนอภิปุโนค่ะการน้อมักการกับท่านคะแม่บาลค่ะก็จะน้อมักการนิมนต์ให้ท่านช่วยนําท่านทั้งหลายปฏิบททัติธรรมด้วยพระสูตรของพระพุทธองค์หน่อยค่ะใช่วันนี้จะพูดถึงเรื่องของการทําความเปลี่ยนที่เราควรจะเล็งเห็นว่า้ภายในอนาคตเนี่ยมันอาจจะยังมีจะมาหรือจะไม่มาเนี่ย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 ในอนาคต5ประการนั้นคืออะไรบ้างเล่าคือเธอในกรณีนี้พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรายังหนุ่มยังเยาว์วัยยังรุ่นขนองมีผมยังดำสนิทตั้งอยู่ในวัยที่กำลังเจริญคือปฐมวัยแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความแก่จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนแก่ ผูกความชราครอบงำแล้วจะมณนสิการถึงคําสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและการเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจคือความแก่นั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ท่ไม่พูดถึงแล้วแม้จะแก่ก็จะอยู่เป็นปาสุขได้ดังนี้ภิกษุตรงหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเท่านั้นพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุที่ให้ความอบอุ่นสม่ำเสมอ ไม่เย็นนะักไม่ร้อนนะักพ่อปานกลางควรแกการทำความเพียรแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความเจ็บไข้จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนที่เจ็บไข้ถูกพญาธิครอบงำแล้วจะมานาสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัด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 ปิสุตังหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเธอนั้นพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้ข้าวกล้างามดีก้อนข้าวาหาได้ง่ายเป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปโดยการพยายามสแสวงหาอาหารแต่จะมีสักคราวหนึ่งซึ่งอาหารหายากข้าวกล้าเสียหายอาหารคือก้อนข้าวาหาได้ยาก ไม่เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปโดยการพยายามสแสวงหาอาหารแต่ว่าเมื่อพิษาหายากที่ใดพิษาหาง่ายอะคนทั้งหลายก็จะอบพยพกันไปที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมูค่คนก็จะมีขึ้นเมื่อการคลุกคลีปะปนกันในหมูค่คน การจะทำในใจถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นก็ไม่ได้ทำได้สะดวกเลยและการจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันเป็นที่ไม่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าพอใจคือการที่อาหารหายากนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง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 เข้ากันได้ดุดดังน้ำนมผสมกับน้ำมองแลกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันอยู่แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ไัยคือโจรป่ากำเรบเชาวชนบทผู้ขึ้นอยู่ในอาณาจักรแต่กระสับกระจ่ายแยกย้ายกันไปเมื่อมีไัยเช่นนี้ที่ใดปลอดภยัยคนทั้งหลายก็จะอบยยกันไปทีนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ ความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อการอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนมีขึ้นการจะทำในใจถึงคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายก็ไม่ได้ทาได้สะดวกเลยและการเสพเสนาสนะอันเงียบส ง, งดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ได้ทาได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งนั้นไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าพอใจ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 สงสามะรมฆีปรองดองกันไม่วิวาทกันมีอุเทศเดียวกันอยู่เป็นผาสุขแต่จะมีสักราวหนึ่งที่สงแตกกันเมื่อสงแตกกันแล้วการจะทำในใจถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นก็ไม่ได้ทำได้สะดวกเลยและการจะเสพเสนาสนะอันสงัดเงียบซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลย ก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใกรไม่น่าพอใจคือ ก, การที่สงแต่กันนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสด็เร็ ว, รวซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจะอยู่เป็นผาสุขแม้ในกล่าวเมื่อสงแต่กันดังนี้ ที่สุดต้องลายภายในอนาคต5ประการเหล่านี้แหละเธอผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้มีประมาทมีความเบี่ยนเผากิเลสมีตนส่งไปแล้ในแนวนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อทําให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ตํามไปแจ้งเสด็เร็วอังนี้อันนี้ก็คือพระสูตรในวันนี้ที่ท่านพิบูลนิยน้ำออกมาให้พวกเรา ในการปฏิบัติธรรมต้องถือว่าเป็นพระสูตรที่มีรายละเอียดที่พวกเราควรจะเรียนรู้เพื่อนำมาเปปฏิบัติได้จริงๆแล้วต้องเร่งด่วนด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องนะคะเดี๋ยวพบกับท่านในช่วงที่2นะคะ